อันสาธารณบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิเอ็ด <c oughs> ในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อาทาตนให้พ้นนรกท่บหนีนรกการปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกก็ขอพูดจะย่อว่าหนึ่งอย่าลืมความตายอย่าประมาทอย่าคิดว่าความตายจะถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไปเสมอสองขอรบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นอนถ้ามีรมทั้งสองรายการนี้อาจจะหนีนรกได้เพียงแค่ชาติเดียวได้ชาติต่อไปยังไม่แน่นอนนะักถ้าหวังความแน่นอนในการหนีนรกก็ขอบันดาทแทนพุทธบริษัท ให้ปฏิบัติในธรร ม, มานุสติกรรมธานให้ครบถ้วนาการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ดียอมรับนับถือพระธรรมก็ดียอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ก็ดีถ้าเรานับรับนับถือเฉยๆแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านคือของพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจา้า แล้พระธรรมนี้พระสงค์นํามาแนะนํำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ายอมรับนับถือเป็นส่วนตัวก็สามารถจะพ้นนรกได้แน่นอนชาตินี้แต่ชาติต่อไปเราก็ไม่แน่เพราะการที่อยาคิดว่าชาติต่อไปเราอาจจะเกิดเป็นคนเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าหรือพระอริยสงฆ์ต่อไปนี่ไม่แน่นอนนะัก เมื่อการเกิด่นชาติเราไม่ได้รับแต่ผลความดีฝ่ายเดียวเป็นการรับผลความดีทั้งทั้งความดีและความชั่วเห็นว่าคนที่เกิดมาแล้วนี่ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวอารมณ์ที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ก็มีอยู่หรือไม่มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นสุขก็มีอยู่ ขณะใดที่อารมณ์ความเป็นสุขเกิดขึ้นขณะนั้นถือว่ารับผลของกุศลเก่าคือบุญเก่าที่เราทำไ้แล้วในชาติก่อนๆมาสนองเราเราก็มีความสุขผลของาทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาภสการะผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆประการ ผลการเจริญภาวนาและศึกษาธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความฉลาดถ้าผลเคองความทุกข์ผลก็ปราณาธิบัติทําให้คนมีอายุสั้นผานตายผลก็ทินนาทานทําให้ทรัพย์สินเสียหายผลการเมสศวิชัาจารย์ทําให้ลูกและบุคคลในปกครองว่ายากสอนยากไม่เชื่อหยุดไม่อยู่ในอวาดแนะนํำยังไงก็ไม่เชื่อฟัง ผลข้อมูลสาบว่าเกิดมาชาตินี้ในระหว่างนั้นให้ผลพูดดีเท่าไรก็ไม่มีคนอยากรับฟังผลของการดื่มสุราเมรัยทาให้โรคปวดทีา่าะไม่หายหรือเป็นโรคเสมสตร์หรือว่าเป็นโรคบาปถ้า <c oughs> หมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผลจากความดีและความชั่วในชาติก่อนที่ยังตามมาสนองเรา อ้าบ เ, เอิญเกิดในชาตินั้นยามจะตายผลของอกุสลก็ครอบงามจิตพอดีเราก็ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระอริยสงฆ์ท่านนี้เพราความไมค่คงของจิตไม่มีถ้าความไมค่คงของจิตมีต้องปฏิบัติในธรรมให้ทำทรงตัวทรงใจหมายความว่าการจะพูดก็ดีการจะทาก็ดีการจะคิดก็ดีอยู่ในขอบเขตของพระธรรม เพราะว่าพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้ด้านของความดีแล้วก็พระธรรมเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดสอนก็ทรงสอนไว้ถึงแปดหมืนสี่พันหัวข้อเราจะปฏิบัติกันยังไงได้หมดอันนี้ด้บรัดาแทนพุทธบริษัทอาจจะเป็นเครื่องอัดอั้นตันใจสำหรับบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ว่าถ้าพูดทั้งว่าทําแล้วไม่รู้เอาตรงไหนดีก็เอากันอย่างนี้ก็แล้วกันพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าพระธรรมวินัยที่รองค์งทรงตัดไว้แล้วหลายหมื่นหัวข้อทั้งแปดหมื่นสี่พันหข้อท่านบอกว่าให้เลือกปฏิบัติตามที่เราเห็นสมควรที่พอจะปฏิบัติได้ อการที่พระพุทธเจ้าตัดไปมากๆก็ทราบอธัธยาศัยของคนไม่เสมอกันกําลังใจของคนก็ไม่เสมอกันอธัธยาศัยต่างกันอย่างหนึ่งกําลังใจต่างกันอย่างหนึ่งก็มีความจําเป็นต้องตัดไปมากเพื่อความเหมาะสมของแต่ละ บ, บคุคคลเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทกันหลาย กำลังฟังเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นนรกคำว่า น, นรกก็หมายถึงเปรตอสุรกายสัตวิชันด้วยต้องการจะหนีนรกกันแล้วเราก็ปฏิบัติจันอยู่ในขอบเขตของสังยชอสามราการ <c oughs> ในเมื่อปฏิบัติในขอบเขตของสังยชอสามราการก็เอาพระธรรมวินัย ที่อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์สามประการมาปฏิบัติไม่เที่ยวว่ากันดับไปทั้งหมดเพราะธรรมเวรใ น, นที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในขอบเขตของสังโยชน์สามประการก็คือชินห้าและก ร, รมบทสิทธิ์ถ้าปฏิบัติศินห้าครบถ้วนก็ถือว่าได้ความดีนินรกได้แบบหยา บ, ยาบ ชาตินี้มีความสุขแต่ความสุขน้อยไปหน่อยชาติหน้ามีความสุขแน่จะน้อยไปนิดหนึ่งการเวลาที่จะถึงนิพพานยังไกลอยู่แะนั้นองค์สมเด็จพระกมรมครคูยังได้ทรงตรัสกรรมบวชสิบประการให้ปฏิบัติอีกจุดหนึ่งถ้าปฏิบัติได้ในกรรมบวชต้งสิบประการด้วยในศินห้าด้วย ปริบัตครบถ้วนตั้งแต่วันนี้ไปันกว่าจะตายความเป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็มีทุกข์ยากส่วนใหญ่จะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็มีบ้างแต่ไม่หนักหนักไม่ถึงกับเกิดความเ่วร้อนจุนจานแต่ดั่งใด้ความสุขนี่มีมากถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้ว หากว่าไม่พบพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ในสมัยที่เป็นเทวดาหรือผมกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็ไปนิพพานการที่จะปฏิบัติในศีลห้าก็ดีกรรมบทชทั้งสิบราการก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องมีข้อขึ้นตนเพราะกรรมบททั้งสิบราการนี้มีทั้งศีลธรรม ชิ้นห้าเนี่ยก็มีทั้งศีลธรรมมีกันแต่ฝ่ายธรรมะคุดคุดอยู่ข้างในมองไม่เคยเห็นถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วก็มองไม่เห็นถ้า ใ, ใช้ปัญญาจริงจะมองเห็นแต่ว่าปัญญาที่ใช้ต้องใช้ใถูกต้องถ้า ใ, ใช้ไม่ถูกต้องก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นว่าเห็นหรือไม่เห็นก็ยังไม่ต้องพูดกัน มาว่าทั้งว่าหัวข้อคือบทต้นเรียนหน้าปกถือเอาหน้าปกก็แล้วกันก่อนที่จะเข้าถึงสินก่อนที่เข้าถึงกรรมบททั้งสิบรายการนี่ว่ากันเฉพาะคราวาัตนะถ้าพระเล่นเนมีสิงแค่ห้าแล้วมีกรรมบุตทั้งสิบรายการครบถวนก็ไม่แคล้วอบายภูมิ เพราะว่าสิกขาบทที่ต้องปฏิบัติมากกว่านี้สําหรับพระเรนร น, นให้ปฏิบัติในสิกขาบทของท่านด้วยแล้วก็ต้องมีกรรมวจิตสิบราการครบถ้วนด้วยเท่าที่เคยเห็นมาบางทีท่านก็เผลอเผลอไม่กันบางท่านก็เผลอในศินห้าบางท่านก็เผลอในกรรมวจิต หากว่าท่านพูดใดเหลือในสินห้าก็ดีเหลือในกำหนดสิบก็ดีพระลาเีในท่านนั้นโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ไม่มีเลยทางที่จะไปก็มีทางเดียวคืออบายภมูมินรกเป็นต้นขอพระทานภัยที่กรรับผมพูดเรื่องนรกอยู่เรื่อยๆ ก็มีข่าวเข้ามาว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นศาสยบุตรพุทธจินโรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองในปัจจุบันบางท่านท่านโกรธท่านบอกว่าอะไรก็นรกอะไรก็นรกคนที่เกิดมาก็จะไม่ต้องไปสวรรค์กัน ก็ขอตอบเส้นไหนที่นี้บางคนนี่ก็ไปสวรรค์นี่มีมากแต่เขรับคนที่ไปพรหมก็มีมากและปัจจุบันคนที่จะไปนิพพานก็มีมากที่ว่าจะต้องตกนรกกันเพราะท่านลืมทางไปสวรรค์ลืมทางไปพรหมโลกลืมทางไปนิพพานตอนนี้ก็อยากขอเปิดประตูให้พบทางไปสวรรค์ พบทางไปพุทธโลกพบทางมนรรคานเสียก่อนเรื่องพระไม่ทบายสําหรับพระสําหรับเนนิกปฏิบัติยังไงไม่ที่บายให้ฟังเพราะท่านเป็นปู่เชนิยนิยบุคคลเป็นบุคคลที่ชาวบ้านต้องไหวต้องบูชาอยู่แล้วก็ต้องยอมรับนับถือว่าทุกท่านคงปฏิบัติความดีครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องอธิบายกัน ก็มาพูดกับคราวาสเพราะฆราวาสมีเวลาน้อยในการที่จะปฏิบัติความดีเพราะต้องทํามาหากินไม่เหมือนกับพระกับเนนอาศัยชาบ้านเลี้ยงชีวิตเจตที่คิดในได้ความดีก็มีมากมาพูดถึงเจ้าบ้านชาวเมืองกันดีกว่าฆราวาสประตูที่เปิดก็สู่ทางสวรรค์ถ้าทางพรทมโลกทางนิพพาน หรือว่าประตูที่เข้าจะเข้าถึงศีลธรรมมีศีลห้าและกำหนดสิบเป็นต้นแล้วเขาก็ใช้ประตูสองบานบานที่หนึ่งเรียกว่าหิริคือความระอายต่อความชั่วบานที่สองเรียกอตัะปะเกรงกลัวผงคลความชั่ว นิรันดาท่านพุทธบริษัทขอหบรรดาท่านพุทธบริษัทโตรูทราบว่าประตูจริงๆนะมีสองบานที่เข้าถึงสิ่งกับธรรมบานที่หนึ่งเรียวเฮริคือความละอายต่อความชั่วหรือความละอายต่อ บ, บาปอกุศลคือบาปอกุศลนี่ถ้าเราไม่อาย มันก็โผล่หน้ากันมาถงเราในเมื่ออายแล้วก็ต้องพยายามหลบบาปหลบอกุศลอกุศลได้แปลว่าไม่ฉลาดบาปได้แปลว่าความชั่วให้หลบความชั่วหลบความโง่ไม่ฉลาดก็คือโง่อดตะปะเกรงกลัวผลของความโง่ละเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ ก็ความโง่ก็ดีความชั่วก็ดีนำเราไปสู่อบายภูมิแน่นอนนั่นคือว่านำไปไหนนำปนัญรกบ้างเบามาหน่อยก็นำไปเป็นเปรตเบามาหน่อยก็นำไปสุดกายเบามานิดก็นำไปเกิดเป็นสัตว์ิฉานเบาวกว่านั้นหน่อยก็เกิดเป็นคนนิหาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ก็เป็นนั้นว่า ท่านนลอทุกท่านอันดับแรกตั้งกำลังใจไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนที่อายเราจะเป็นคนกลัวอายความชั่วกลัวความชั่วแล้วก็ความชั่วที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระพุทธศาสนานี่มีมากอายบทไหนกันก่อน อันดับแรกอายการละเมิดสินห้าอันดับที่สองอายการละเมิดกรรมบรุ10บและอันดับต่อไปเพ ก, กเ็กลัวผลการละเมิดสินห้ากลัวผลการละเมิดกรรมบุตรสิบจะให้ผลสนองเราเพราะการละเมิดสินก็ดีการละเมิดกรรมบุ10ิบก็ดีมีผลในชาติปัจจุบัน นั่นหมายความว่าจะสร้างความทุกข์ให้เกิดกับเราอย่างหนักแต่ว่าถ้าเราอายได้เรากลัวได้เราก็สามารถจะดึงเอาสินห้าก็ดีกำบลึกก็ดีมาไว้กับเราตอนนี้เราจะพบกับความสุขอย่างมหาศาลอย่างที่ท่านหลายจะไม่เคยพบมาในการก่อนชาตินี้มีความสุขหนัก และชาติหน้าก็มีความสุขอย่างหนักและทุกๆชาติเราจะมีความทุกข์เล็กน้อยแต่มีความสุขมากขึ้นมาทุกไปเกิดเป็นสัตว์นรกเวอสุรกายสัตริฉานไม่มีต่อไปอีกศิ้นห้ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งปานาทิบาสพระพุทธเจ้าบอกว่าทรงให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตชีวิต ทางที่ดีก็เว้นจากการทรมานสัตว์สีด้วยข้อที่สองและนาทานไม่เถือทรัพย์สินที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมข้อที่สามการมีสมิชาจารย์ให้เว้นจากการละเมิดความรักคือในสามีและภัญญาขาองบุคคลอื่นยินดีเพราะสามีและภัญญาของตนเอง ข้อที่สเว้นจากการบูษาว่าคือการพูดไม่ตรงกับตามความเป็นจริงเป็นการทำลายประโยชน์ของบุคคลผู้รับฟังข้อที่ห้าให้เว้นจากการดื่มสุราโดยไม่ไรแล้วข้อนี้หนักมากถ้าเมาเมื่ อ, อไรแย่เหมือนนั้นจำอะไรไม่ได้ดีไม่ดีเห็นว่าพ่อเป็นเพื่อนไปอีกแต่บางคนเห็นว่าพ่อเป็นฟุตบอลไปก็มี แต่พ่อตีแม่อย่างนี้ก็มีเป็นอนราสินหา้ารายการมีตามนี้ตอนนี้ต่อไปก็มาพูดถึงกรมกรมบทชสิบกรรมบทชสิบนี่จริงๆก็เหมือนกับสินห้าอยู่มากแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองกรรมบวชสิบก็ข้อทีหนึ่งเว้นอากการฆ่าสัตว์ ก็แล้วข้อที่สองเว้นจากการลักทรัพย์เหมือนสินห้าข้อที่สเว้นจากเว้นจากการเมสมัสมชาจายคือเป็นชู้สามีปัญญาเขานี่สำหรับทางกายทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมทางวาจาท่านจัดไว้สี่สินห้าจัดไว้แค่หนึ่ง ทางกายได้เหมือนสินห้าเปียบไม่ต่างกันเลยถ้าทางวาจาจะจัดเป็นสี่หนึ่งไม่พูดปลดมีสินห้าห้ามแค่นี้ก็มาบทสิบห้ามต่อไปไม่พูดคำหยาบและก็ไม่พูดวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเขาแตกเาวากันและก็ไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์มีสี่ 4. ด้านจิตใจ ด้านจิตใจในสินห้ามันได้บอกไว้แต่ว่ากรรมบทสิบบอกไว้ว่าจิตใจคือหนึ่ ง, งยงยาอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคนอื่นใดมาเป็นของตนคือไม่นึกไม่ขโมยเท่าก็ไม่นึกด้วยศินห้าเนี่ยไม่ขโมยแต่นึกอยากได้ไม่ผิดกรรมบทสิบไม่ขโมยแต่นึกยึกอยากได้ผิดนี่ต่อไป ต่อไปก็เป็นข้อที่สองข้อจิตใจความรู้สึกนึกคิดนั่นก็คื อ, อไม่พยายามจองล้างจองผนังไข่คือไม่จองและไม่จองเวงยจองกรรมไขโกรธได้โกรธได้โกรธได้โกรธแต่ถ้าว่าโกรธก็แล้วก็หายไปต่อไปก็ไม่จองล้างจองผลังไข่ และข้อดีสามด้านจิตใจมีความเห็นตรงตามคำของสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ขัดคอพระพุทธเจ้าพูดไปง่ายๆที่พระพุทธเจ้าสันตัดว่าตายแล้วเกิดเราก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดไม่เหตุตายแล้วสูญอย่างนี้เป็นต้น ระสวรรค์มีจริงพระมรรคมีจริงนิพพานมีจริงเราก็ไม่เถียงเรายอมรับเราถือด้วยปัญญาถ้าทำบาปอกุศลก็ ไ, เไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์ชันบ้างอันนี้เราก็ไม่เถียงยอมรับในการปฏิบัติอย่างไรใจพ้นจากความทุกข์เผยด้วยความสุขอันนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ เป็นข้อที่สามของกรรมบทตสิบก็จะไม่พูดย้ำ ม, มากต่อมาก็หันมันดูสิงข้อที่หนึ่งสิงก็ดีกรรมบทตสิบก็ดีจะอธิบายครบกันไปถ้าแยกกันนิบรรดาท่้พุทธบริษัททั้งหลายมันจะยืดยาวมากเกินไป ก็ว่าอันนี้เวลานี้แล้วเข้ามาปฏิบัติในข้อที่ว่าวิจิขิจฉาข้อที่สองเรสัญญอดขอนำเอาข้อที่สา ม, มาพูดรวมกันข้อที่สองบอกว่าไม่สงสัยในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมปฏิบัติตามนี่พระธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคําสั่งก็คือวินยัยคําสอนก็ได้แก่ธรรมะ คำสั่งนี้มาจงห้ามแล้วเตือนว่าจงอย่าทำจงเว้นคำสอนหมายความจงทำตามนี้จงปฏิบัติตามนี้จะมีความสุขขอนำมารวมกันกันกบข้อวิจิกิจฉาคือความสงสัยในสัญญข้อที่สองเอาศีลประธรรมรามาสมารวมกันเลยถ้าไม่รวมกันแล้ะยุ่ให้กฟังกันยืดยาดดีไม่ดีฟังกันเดือนก็ไม่จบ ก็รวมความว่าเวลานี้เรายอมรับนับถือในพระธรรมได้แก่หีดิโอตปะนี่เป็นอนาไม่ไม่ฝืนแล้วอายอายความชั่วเกรงกลัวของความชั่วไม่สงสัยในพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราอายเรากลัวไม่มีจุดปฏิบัติก็ท้อใจมาเริ่มปฏิบัติเริ่มแรก เอากันในเรื่องของศินสําหรับสิล น, นี่ข้อไหนบอกเหมือนกับกำหบดจะบอกว่าเหมือนกันข้อไหนที่แยกกันเป็นกำหบดโดยเฉพาะจะบอกนี่แยกกันเพื่อสะดวกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับสิลข้อที่หนึ่งสำหรับตอนที่สิบเอดนี่คงไม่จบสินข้อที่หนึ่งแน่มองดูเวลาแล้วเหลือประมาณเจ็ดนาทีเสร็จ สิงข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ทําลายชีวิตสัตว์ที่เป็นให้ถึงกับตายแต่ว่าท่านนักปฏิบัติจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทัหลายคนจะตั้งใจเสริมวัตถุนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าคงไม่ว่าคือเราไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทําร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยจะดีมาก จะเรียกว่าทำร้ายหนักหรือเบาก็ตามทีถ้าไม่มีความจำเป็นจงอย่าทำที่คำว่าจำเป็นเพราะว่าเรายังเป็นกุศุชนคนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสวัญญาโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าจะมาพูดถึงเฉพาะผู้ต่างคนก็ต่างยังมีกิเลสเหมือนกัน ของใครจะมากกว่ากันของใครจะน้อยกว่ากันอันนั้นไม่ต้องวัดใครจะหนักด้านไหนใครจะเบาด้านไหนก็ไม่ต้องวัดคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตถ้าพูดตามภาษาไทยใช้ๆก็คือความสกปรกของจิตจิตที่ชอบรู้สึกระนึกคิดในด้านงความสกปรกสมองในด้านของความชั่วไอ้ความชั่วนี่ก็สกปรก อย่างนี้แล้วเรียกว่ามีกิเลส ท, ท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ต้องยอมรับความจริงกันอาตมาก็ยอมรับความจริงว่าจิตทอาตมาอาจจะสกปร ก, กว่าบรรดาญาโจรพุทธบริษัทก็ได้อันนี้รู้ไม่ได้ญาโจรที่นั่งฟังไม่แน่ใจดีไม่ดีฟังอย่างนี้ไกลมาพลาดไปขายสนก็ได้ สิ่ข้อที่หนึ่งที่เราจะเว้นคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์และเขาได้โปรวจแผลไม่ทําร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยนี่ได้สิ่ข้อที่หนึ่งนะเรื่อการทําร้ายร่างกายของสัตว์สัตว์ไม่ตายแต่ใส่ก็มีทุกข์เราก็มาวัดถึงกําลังใจของเราด้กันคนใดถ้าเขาจะฆ่าเราเราก็ไม่ชอบ ถ้าเขาไม่ฆ่าเขาขอทำร้ายร่างกายเราเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแค่ทำร้ายหนักหรือเบาเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราทำร้ายร่างกายเขาหนักหรือเบาเขาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เจ็บกายและเป็นทุกข์ที่เจ็บใจมันทุกข์สองชั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขจะไม่มีว่าว่ากันอีกทีว่าเปรยไม่ได้ตอนตน คือข้อที่หนึ่งนี้เป็นทั้งก ร, รมบทสิบและสินห้าที่บอกว่ากำมบทสิบมีธรรมะแทรกชัดม่งชัดออกมาเลยแต่ว่าสินห้ามีธรรมะเหมือนกันแต่คดอยู่ข้ไงนคนที่ไร้ปัญญามองไม่เห็นหรือว่าคนที่ปัญญาดื้อ น, นิดๆก็มองไม่เห็นดื้อแล้วก็สอนไปเท่าไหรเท่าไรก็ตามขยับไปนิดๆ ขยับเข้าไปหาความขยันนะขยับเข้าไปหาความฉลาดนิดๆไม่ค่อยอยไปอันนี้มองไม่เห็นเหมือนกันสิ่งข้อที่หนึ่งนี่ถ้าจะมีได้บรรดาเทพธิดบริษัทธต้องมีธรรมะที่คุดอยู่ภายในเข้ามากระตุ้นเตือนธรรมะที่คุดอยู่ภายในก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อัมมะสมรรการได้อยู่ในพมวิหารสี่คือพมวิหารสี่แล้วมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสีาไข่เห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยอุมเอม๋ขาวางเฉยเห็นใครเพี้ยงพรำไม่ซ้ำเติมตอนนี้เอากันอย่างย่อๆอ ย, ย่างง่ายๆ เอาตามสิ่งที่มีความจําเป็นเพราะเราอย่างเป็นปุถุชนอยู่ถ้ามากนักแล้วก็จะไปไม่ไหวเอาก็เอากระวาดต้องมีธรรมะสำเร็จ ก, การก็ควบคุมใจคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารแต่วความรักในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักในด้านกามารมอย่างผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายอยากจะแต่งงานกันนั่นคือเรื่องของความรักแบบนี้ เป็นความรักด้านเมตตาปราณีเห็น อ, อกเห็นใจเช่ไงไรกันมีความรู้สึกว่าเรารักร่างกายของเราเพียงใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักร่างกายเพียงนั้นเราสงสารร่างกายของเราเพียงใดเราก็สงสารร่างกายของคนเพียงนั้นคำว่าสงสารสงสารร่างกายของเราคือไม่อยากให้ใครมาฆ่าเรา ไม่อยากให้ใครมาทรมานเราการรักร่างกายของเราเราก็ต้องการให้ร่างกายของเรามีความสุขมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างนี่ก็หมายความว่าใครจะมาทำอะไรนิดติดหน่อยๆเราไม่ต้องการซึ่ถจงว่าความบกพร่องในร่างกายความบกพร่องในในจิตใจไม่ต้องการให้มีเพราะการกระทำเขางปุนคนอื่น อย่างนี้เรียกเมตตาความรักกุณาความรงสารถ้าอารมณ์ทั้งสองรายการนี้มีประจำใจก็บรรดาเป็นพุทธบริษัทสิ่ข้อที่หนึ่งทรงตัวได้แน่นอนถ้ามีพอ่อใหเพราะว่าคนที่รักกันฆ่ากันก็ไม่ได้ทําร้ายร่างกายก็ไม่ได้คือไม่มีใครฆ่ากันคนรักกันทําร้ายร่างกายก็ไม่มี คนที่มีความสงสารกันก็ฆัาร่างกายกันไม่ได้เหมือนกันเพราะเราสงสารจะตีก็สงสารจะหยิกก็สงสารจะมีดฟันก็สงสารเจะปืนยิงก็สงสารในเมื่อความสงสารปรากฏแล้วบรรดาทา่านพุทธบริษัทก็ทำร้ายร่างกายก็ไม่ได้ฆ่าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันวงความสิงข้อที่หนึง่งมีธรรมสิงอยู่ภายใน ไม่ใช่อยู่ๆก็จะปฏิบัติกันได้เฉยๆแล้วไม่มีไม่มีมมสิ่งไม่มีธรรมะมาเครื่องคำจุนเดบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายตอนที่สิบเอดนี้ก็ต้องอยู่จ น, นเพียงแค่นี้เพราะสันยานบอกเวลาปรากฏแล้วคอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์ิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแต่พุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี